วันนี้เป็นวันที่24กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ัเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์มี28หรือ29วันแต่หลวงพ่ อ, องคงจะได้เดินทางนะลูกหลานตรงไปกรุงเทพทอดภาปาสามคัคคีกับคณะสงฆ์กลุ่มสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาคงวันที่28อาทิตย์สุดท้าย สวนแสงธรรมหลวงพ่อเองยังไม่หายเหนื่อยดีนี่แหละเป็นนักพจนักบวชอยากจะได้ร้อนได้เย็นอยากจะรักจะได้อยากจะพักผ่อนก็ได้ไปอยากจะไปก็ <c oughs> ต้องหยุดให้มันได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ บางสิ่งบางอย่างเมื่อก่อโปรงวางปล่อยวางปลงตกอย่าไปยึดอะไรมากมายนักหนาโลกันโลกอ น, นิอนนจจงโลกของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอยไปโปรงปล่อยวางที่อื่นปล่อยวางที่ใจใจใตัวเองแต่ละคนน่ละจะให้คนอื่นปล่อยวางไม่ได้หรอกมิเธอสอนนั่นเองปล่อยวางได้อยากจะให้ ให้มันจบให้มันสุขมีความสุขอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่ออยู่ในป่ารงพงภัยอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครแต่ก็ได้ยินไม่วายได้ยินเสียงสนันหวั่นไหวเพราะมันสื่อทุกวันนี้มันออกเร็วยิ่งกว่าอะไระการแต่งตั้งประธานสง หลวงพ่อโหทำไมยุ่งเหยิงวุ่นวายสาเหตุเพราะอะไรทำไหม้ามันเป็นอย่างใจหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อเนอเนมันเกิดมาจากไหนหยุดจุดนั่นอะ่ะท้าวว่าคนทางหลายเออหลวงพ่อเนี่ยวัดหลวงพ่อเนี่ยเป็นของหลวงนะเป็นของรัฐบาลนะ หลวงพ่อไม่น่าจะอยู่จุดนี้หลวงพ่อก็ให้ไปเลยเพราะเหตุอะไรเพราะเขาต้องการนเออมันเป็นถูกต้องเอ้าไปเลยเราเป็นผู้ยอมแพ้ดีกว่ามันจะได้จบไปอีกไม่กี่ปีข้าก็จะตายแล้วไม่ถึงร้อยปีหรอกเขาผัวไปออกไปซะมันเป็นสมบัติอยู่ในโลกนี่แหละ มันอาไปนิพพานมันด้วยไม่ได้หรอกจะไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรมากมายนักหนาออแต่ทุกคนเป็นอย่างหลวงพ่อเน่ยก็คงจะแบบหลวงพ่อเนี่ยหรอวะคงจะไม่ร่าไม่รวยไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระอย่างหลวงพ่ออินอที่มันเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งก็คงจะเป็นอย่างท่านเหล่า น, านั้นนะ แต่หลวงพ่อพูดแบบพระป่าพระดง เ, เราจะเอาเป็นมาตรฐานตัวเองก็ไม่ได้แต่ตามจริงมาตรฐานมาตรฐานธรรมเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานธรรมก็ต้องเป็นเนีเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายตัวเองก็จะไปเผาไฟเทงอยู่อีกสักวันน่งเพราะนั้นเรื่องยศถาบรรดาศักรรดิ์ลาบยศจันทรเสริญอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง แต่เมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะทําให้ดีที่สุดทดําดีคิดดีทดําดีพูดดีอันไหนมันดีสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องอถ้าใครว่าเออมันไม่ถูกต้องครับหลวงพ่อเราก็ถอยจะทํำยังไงพอเราอยู่ในโลกนี้มันอยู่ด้วยกันหลายหคนแต่หลายคนบอกว่ามันไม่ถูกมันพิษเราก็ถอยเหบนเสียแต่มัวเมียมาพูดแบบไม่มีเหตุมีผล เอากิเลสมาพูดกันเออนะั้นยอมรับไม่ได้ก็ต้องหาเหตุผลหักล้างกันต้องหาคู่คนไปพูดที่รู้หรือว่าพูดกันสิมันถูกต้องเป็นธรรมไหมเด็กคนคนนี้พู ด, ดเขาพูดก้ามันพูดจริงก็ไม่ว่ากันละเราก็จะถอยแต่พูดไม่จริงก็นะคนที่พูดมันผิดนะเราอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกฎกติกาด้วยกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์กฎหมายบ้านเมือง ถ้าโลกทั้งโลกไม่มีกฎกติกาไม่มีกฎหมายไม่มีสูงมีต่ำไม่มีกฎหมายปกครองน่ะโลกทั้งโลกจะอยู่ได้จะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุกได้อย่างไรอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่เขามาบวชเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาวันมาค้าบูชาดังที่พระสงฆ์อยู่ในป่ารงพงไพ่ พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก่อนท่านก็เป็นพระราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมารู้กฎระเบียบเพราะท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดอยู่แล้วต่อมาท่านได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเสยียมภูในเมื่อท่านเทศนาว่าการคู่ขนทั้งหลาย ทั้งลูกตาสีตาสาตเมตามาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็หาาบอดีเศรษฐีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาหลายหมู่หลายกลุ่มหลายคณะตั้งแต่จากหลากหลายจนถึงยอดยองยอดอยางสูงสุดเข้ามาบวชใน พ, พุทธศาสนามาละกันมาคละเคร้ากันต่างคนก็ต่างมีวิชาอาชีพกันเป็นอยู่ แตกแปลกแตกต่างกันแต่เป็นคนเหมือนกันแต่รับได้รับการศึกษาแตกแตกต่างกันพอเข้ามาบวชถ้าองค์ใดพระท่านใดได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ภาวนาองค์นั้นก็หมดก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดพอจบแล้วจะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไม่มีอีกแล้วองค์นั้นถึงจะทําถึงไปเหยียบมดเหยียบปลวก อตายไปก็ไม่มีเจตน า, เ, าเดินไปเพราะไม่เห็นอย่างพระจักคูบานเนะ่เดินไปไปเหยียบมแมลงเมาตายเป็นเบืออพอตายชนะพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้พระองค์นี้สมัยเมื่อเป็นน้อยหนุ่มขี้เกียจทําภาวนาขี้เกียจทําความเพียรพอตาบอดขึ้นมาแล้วเออจับเปล่าแล้วก็เดินจงกรมเห็นไหม นาทุเลตเหยียบแมลงเมาตายไม่เท่าไหร่เป็นบือเลยในทางเดินจงกรมไอ้พระมาจากต่างถิ่นเข้าไปชมวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารจากนั้นก็ได้มากราบพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้เดินชมวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารไปเห็นกุฏิหลังหนึ่งมีพระแก่องคนงตาบอดแล้วก็จับราวเดินจงกรม คงจะไม่เห็นเหยียบมแมลงเมาตายเป็นบือเลยคงจะเหยียบถึงกลางกลางคืนนั่นแหละพวกเก่าของผมคิดว่าสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มไม่เล่นทําความภาคเพียนแต่พอตาบอดแล้วจะทําท่ามาเดินยังกลมมาเล่นความภาคเพียนเมื่ออายุตาบอดแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายอันนั้นบุตรของเราคือจักขุบาล ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วการเดินจงกรมของท่านเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแต่เป็นเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนอริยาบทให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวตนเองท่านไม่ได้เพื่อมรักผลนิพพานอีกแล้วเพราะท่านถึงจุดแล้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอันนั้นคือบุตรของเหล่าอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านรับรองยืนยันนี่แหละอันนี้ถึงถึงจะเจียบ ปวกเหยียบมดก็ตามคือไม่เจตนาเนะี่าเจตนาหังพิเขเวกกรมังวดาไมอถึงจะไปเหยียบพิจตนาไม่เป็นบาปแต่ถ้า ม, มีเจตนาในจิตในใจแล้วเนะนี่ยหลักพุทธศาสนาเน้นเรื่องเจตนาเป็นหลักสมมติว่าในหลักพระวินัยนะสมมติว่าคนหนึ่งอยู่ฝ a r กำแพงทางนู้น ก็ไม่รู้ว่าคนอยู่เขานั่งเงียบๆอยู่ท่นนี้ก็เลยโยนก้อนหินแล้วโยโนค้อนเข้าไปโยโนสิ่งของเข้าไปข้ามกำแพงไอ้ข้ า, าไม่มีใครออต่อไปถูกคนเข้าตายหรือว่าเรากําลังฝันมีดอยู่มีดมันหลุดออกจากด้าม น, นะไปสักคนที่อยู่ต่อหน้าเราตาย ในพระวินัยท่านก็ไม่ปรับอาบัติปาราชิกแก่องค์ที่ทำนะแต่ปรับอาบัติทุกกฎขาดความรอบคอบไม่ไม่ลงโทษหนะักแปลว่าลงโทษเบาเพราะไม่ไม่มีเจตนาแต่ว่าขาดความรอบคอบเทรานั้นเองแต่ว่าเจตนาที่จะทําให้องค์นั้นตายไม่มีในลหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรื่องเน้นเรื่องเจตนาเป็นหลักถ้าว่าเจตนาองค์นั้นเป็นยังไง ในขณะที่การกระทําหรือว่าการนั่นแหละแล้วว่าท่า ว, ว่าเสือเพลอแล้วว่าโลบโลเลมีอะไรบ้างที่มันพิษอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องการเหยียบมแมลงเมาของพระจักกุบาลก็ตามอันนี้ก็คือท่านไม่มีเจตนาถึงจะเหยียบมดตายก็ท่านก็ไม่มีเจตนาแต่ท่านก็ไม่รู้อีกต่างหากเพาท่านตาบอดนะ นี่แหละอันนี้ก็คือหลักการทำคำสอนของพุท ธ, ธะแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าชุมชนสังคมส่วนมากเขาทวงติง่งถึงเราจะไม่ผิดในจุดนั้นแต่มันไม่เป็นที่สบายของคู่คนเราก็ควรจะเอาพิจารณาตัวเองไม่ถึงร้อยปีหรอกปลอยวางป่งวางอย่างที่หลวงพ่อพูดอ ถ้าว่าเขาเออยากจะมาเอขอวัดหลวงพ่อเนี่ยแหะหลวงพ่ออยู่มาตนมันสร้างมากับมือเนี่นแหละจนเป็นถูกต้องตามนั่นแหละเอแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเออทางรัฐบาลหรือว่าใครต้องการอยากจะเป็นอย่างนี้อ่างั้นหลวงพ่อเนี่ยขนาดตัวเองร่างร่างกายตัวเองก็จะทิ้งอยู่แล้วว่ะเออเาลูกหลานว่ายอย่างไรพ่อไม่ใช่ไม่ใช่วัดหลวงพ่อคนเดียวนะลูกหลานว่า ย, ย่างไร อาาลูกหลานว่านะสำหรับหลวงพอ่อไม่มีปัญหาแลอวนะเดินออกไปเลยแต่ขนาดร่างกายตัวเองอีกสักวันหนึ่งก็ยังจะออกจากร่างตัวเองอีกต่างหากจะปล่อยทิ้งร่างกายจะทิ้งอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งไม่จ้องไม่ต้องคิดถึงคนอื่นคนอื่นคนอื่นเรื่องของคนอื่นเรื่องยศเรืองลาบยศจระเฉินจุขมันของนอกกาย ขนาดร่างกายตัวเองก็ยังจะทิ้งมันอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งถ้านักภาวนาไม่พิจารณาร่างกายของตนเองไม่ปล่อยวางร่างกายของตนเองจะไปปล่อยวางที่ตรงไหนในเมื่อมันปล่อยวางพิจารณาถึงปล่อยวางขนาดร่างกายของตนเองแล้วนะนั่นแหละเรื่องทางหลายทางปวงเรื่องภายนอกเนะมันเจ็บจอยมากเ อ, อมันเจ็บจอยมากเพราะเหตุใเพราะ เ, เราจะไปนั้น อีกสักวันหนึ่งเราทานอาหารวันละจานนั่นแหละอิ่มถ้าคนดีแล้วตกไปที่ไหนมันไม่เสียหรอกมีคนยอมรับกันทวนหน้าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมคนดีเอถ้าว่าคนที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีแล้วไปที่ไหนเสียหายหมดถึงจะอยู่ที่ไหนไหนก็คือคนไม่ดี why ไรเพราะคิดไม่ดีทาไม่ดีพูดไม่ดีเป็นใจจิตใจเพี้อนเป็นที่เป็นบาป แต่เราเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อตนเองเชื่อกา ร, รกระทาของเราเองเพราะนั้นพวกเราไปอยู่นักสถานที่ใดนะอย่าไปคิดทำคิดทําพูดในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าคิดทาพูดในสิ่งที่ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่ถึงร้อยปีหรอกต่างคนก็ต่างจยากไปผู้ที่ได้เปรียบเอาได้ไปได้ไปไ ป, ไปถึงไหนไปถึงตายอีกเหมือนกัน ผู้ที่เสียเปรียบกไปถึงไหนก็ไปถึงตายอีกเหมือนกัน ถ, ถ้าเราลือกถึงความตายเนี่ยสบายนักหากรักหากหลงในสงสารรักก็ไม่รักหลงก็ไม่หลงในสงสารลาบยศชนะเสริอสุขปล่อยวางได้ทั้งนั้นถ้าเราลึกถึงมรณงเมอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายนั้นผมกให้เราเ ล, ลึกถึงไว้เสมอนะแต่บางบางคนโอ้ถ้าเราลึกถึงความตายในใจห่อเหี่ยว อันนั้นแปลว่านึกแบบโง่โงนะถ้านึกแบบฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วนะ่จะไปโง่ทําไมจะไปหงอเหียวทําไมเ อ, อถึงจะนึกไม่นึกมันก็ตายอีกอย่างเก่าเอาไหนคือดีดีไหมรู้ไหมดีคุณงามคมดีรู้ไหมดีคิดดีทําดีพูดดีรู้ไห ม, ดดดดไหมถ้าไม่รู้จักค่าทําคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมันก็โง่เลยสิทนายถ้ารู้จักคิดดีทําดีพูดดีแล้วเอาร่างกายนี่ถึงยังไงก่อเกิดมาแล้วเนะี่ยต้องเลี้ยงกันไป ดูแลประครับประคองรักษาให้ดีที่สุดถ้าหามวมมันดีที่สุดแล้วเออคนอื่นที่เขารักษาดีกว่าเราเขาก็ตายไปแล้วที่เป็นแพทย์เป็นหมอแต่เราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมใจเฮ้ย ใ, ใจเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมใจใกระท้องถามใจตัวเองอีกเฮ้ยใช่ถึงจะรักษาขนาดไหนก็เถอะเออไม่ถึงร้อยปีเึ่งน้นถ้าถึงร้อยปีไปแก็หมดสภาพแล้วเห็นไหม คนที่ถึงร้อยปีะมันหมดสภาพเกือบทุกคนน้อยมากาที่เป็นบุญจริงๆอย่างพระนนล์ถึงร้อยี่สิบปีถ้านอกจากนั้นมาเนี่ยเห็นแต่หมดสภาพทุกคนที่มองมองที่เห็นเห็นมานี่ถ้าร้อยกว่าปีเข้าไปแล้วกันต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเป็นอยูนะ่จะหาความสุขได้ที่ไหนแต่ที่ยงไงก็จะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ยังมีกำลังวังชาอยู่เดี๋ยวนี้เราจะต้องทำความดีอันไนดีเล่นความภากความเพียรภาวนาหาทางพ้นทุกข์ถ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วหมดกิเลสแล้วเออถึงจะไม่มีอะไรก็มีความสุขทางด้านจิตใจไปตายที่ไหนออตกน้ำตายไฟไหม้ตายตกเครื่องบินตายอะไรตายก่เถอะเออตายยังไงก็คือพระาราหันตาย แต่ร่างกายของท่านตายท่านเองแต่ใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส น, นั่นแหละเอาให้ตัวนั้นตัวที่ใจหมดจดจากกิเลสเลิศประเสริฐที่สุดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นพวกเรานะคือยกชูเชิดชูประเด็นเชิดชูบูชาคือผู้ที่หมดจดจากกิเลส น, นั่นแหละเลิศประเสริฐแต่นอกจากนั้นลงม า, าถึงจะ แมียศฐานบราศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็ทักกระจุยในวัฏสงสารเนี่ยเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ย ส, สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุมดอนดอนอพระพุทธเจ้าของเราเคยเป็นรายฉามหาราชาตกนรกมาเป็นรูป ก, กี่พบกี่ชาติเหมือนกันเอสมัยก่อนที่มาเกิดมาเป็นตีมิยะเนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตกนรกตั้งแปดหมื่นปะีเลยแปดหมื่นปีไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดีทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกินดนั้นเลิศประเสริฐเพราะนั้นในพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะประกอบคุณงามความดีมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นปรารถนาะมีความตั้งใจในในใจของเรวถึงยังไงทํามากทําน้อยขี้เกียจขี้คลานยังไงประกอบคุณงามความดีอะไรถึงจะมากเพอาะยังไงขอให้ข้าไปเจ้าพ้นทุกข์อย่ามาเนี่ยได้มาเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสารให้ถึงแดนพันธิพาณต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเอถึงจะมันขี่ค้านกับคงจะไม่ขี่ค้านมากเพราะอหไรเพราะเราจะต้องเดินทางไกลอถึงยังไงขอให้เข้าไปเจ้าถึงกรุงเทพเนี่ยคือจุดหมายปลายทางของเราคือกรุงเทพกันเนี่ยพอก้าวเดินแล้วก็ะถึงจะนอนตื่นขึ้นมากแบบสะดุ้งเอ้ยอย่างไกลนะเดินต่ออีกมันเหนื่อยกับพักพรอ พอผมมันหลับผมห ล, ลับตื่นขึ้นมาเอา้ายังไม่ถึงกรุงเทพผเดินต่อเองไงเพราะหอะไรเพราะเรามีความมุ่งมั่นคือกรุงเทพมหานครเป็นหลักเนี่ี่ก็เหมือนกันพวกเรามุ่งหวังพระ น, นิพพานถึงจะอยู่ในสภาพเช่นใดก็าตามคือเราต้องการพ้นทุกเนี่ยจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทอานัเออทั้งหลับทัทง้งยศทั้งราชเสินมลุ่มมาตุ้มคีดแย่งกันอยู่เลยเออเหมือนกับไก่แย่งไส้เดือนกัน อในหลักพระไตยปิฎกดูก่อนพระสงฆ์ตั้งหลายการแย่งลาบแย่งยศกันเหมือนกับไสเดือนแย่งไก่แย่งไสเดือนกันพอจะหนึ่งไปคุ้ยเขี้ยได้ไสเดือนพอขบับปบขึ้นมาอพอขับน้กขึ้นมาก็กุ๊กไก่คายดีใจอพอดีใจพอได้ไสเดือนอ้ตัวที่สองเห็นก็จะไปแย่งเลอตัวที่สองเห็นก็แย่งไล่เลยน ไอ้โพนนี่นก็ไล่เป็นพวนเห็นตัวนั้นคาบไสเดือนใช่ไหมพอไปตัวไอ้ตัวนั้นก็พอไปทนันเตะเตะไสเดือนหลุดจากปากตัวนั้นก็วิ่งหนีพอวิ่งหนีไอ้ตัวนี้นก็ยังคิดว่าไอ้ตัวนั้นยังคาบไสเดือนอยู่ใช่ไหมวิ่งตามอีกต่างตัวต่างวิ่งตามพอนที่สุดไม่ได้กินสักตัวไสเดือนมันหลุดอยู่ที่ไหนก็ใหม่สาบใหม่รู้ต่างคนก็เลยเอสบักสบอมกันไป พอเตนโดนเตะกันเจ็กกันเพราะแย่งไส่เดือนกันผลสุดๆุไม่ได้กินสักคนนี่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนี่ท่านสอนอย่างนั้นอันนี้พวกเราคงเหมือนกันะแย่งลาบแย่งยศกันผลที่สุดเกิดแบมือกันทุกคนพอไปเสร็จแล้วเอาน้ำไปลดน้ำโสไปให้ส่งน้ำาสนะแบแต่แบแบมือ น้ำหยดหนึ่งก็ไม่ติดไม่ติดในมืออีกต่างหากว่าไรเพราะมันไม่ได้อะไรขนาดร่างกายจะเผาไฟทิ้งอยู่แล้วมันก็เหมือนกับไก่แย่งไส้เดือนกันนั่นแหละเพราะนั้นในพวกเราท่านทั้งหลายดูนะอยู่ในโลกนะี่อย่าไปหลงหลงตัวลืมตนให้มองเจ้าของอย่าลืมเจ้าของสรุปแล้วนะละงพ่อในตอนะตนี้นะลุงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งวันนะี้